ใจของพวกเราทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันเราชาวพุทธที่มาฟังธรรมะมกันทุกวันทุกวันพระเนี่ยบางคนนี่ก็ยังจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะแต่แท้ยังไม่รู้เรื่อง อ, อย่างวันวันหลังสองสามวันมานั้น พวกสาขามาหลายสาขาตั้งป็นหลายร้อยปีนี้อัตมาเดถามายมปีนี้ยังมีตรวจดูนะอัตมาสอนวันนี้ตั้งเกือบสามสิบปีละปล่อยให้ตามใจอยู่สบายสบายก็เลยถามว่าพวกอุบาสิกาแล้วนั้นนะพวกอุบาสกเราหลายๆลนยคนอัตมามาสอนอยู่เนี่ย จะสามสิบสีแล้วนั่นมีใครบ้างไหมในที่นี้ไอ้ตั้งใจจะปฏิบัติปฏิบัติไม่มากหรอกมีสินห้าตลอดชีวิตมีบ้างไหมมองดูตากันดอกแลดอกแลดอกแลกเลยไม่มีเลยนี่นี่เนี้ยเจ่มานี่คือมขาดการปฏิบัติคือยังไม่ถึงใจอืม ยังไม่ปฏิบัตินเป็ย่างไรปฏิบัติอัตมาก็เลยว่าเอาซะหน่อยสักวันนั้นจะโกรธหรืออะไรก็ไม่รู้อัตมาเล่าว่ามีคนมันดูแลมันไปขี้คนหนึ่งมีแต่ข <c oughs> ี้มันคนไม่มีถ้าคนแท้ๆมันต้องสงมบูรณ์โดยสินห้าบังจิตอันนี้ไม่มีคือไม่นึกเลยมาจะพยายามทำสิ่งนี้ให้มันมีขุ้นตลอดชีวิต เลาเลยจ้ะสี่ห้ า, า 4, คนก็ยังนีหรอกอันนั้นไม่มีสักคนนึงนี่เดีย ว, ว่าเราพร่องมากที่สุดพร่องจะแล้วเพราะเราไม่เคยทํามาสมัยก่อนนั้น่ะที่อาตมาไม่ได้มาสอนนี้เรื่องสมาธินี่คงจะไม่ดูเรื่องเลยอืเรื่องเที่ยงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสมาธินี่ไม่ดูเรื่องอืชินก็รู้เจ้ว่าพูดกับพระไป ไม่รู้ว่าพูดไปไงจะไม่รู้พูดไปจะสมาธิที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยทำเลยเข้าไปในวัดก็ไม่มีใครฝึกสมาธินี้อย่างนี้ที่ศีลสมาธิไม่เริ่มปัญญาจะเกิดที่ไหนนี่ถ้ามาพูดถึงตรงนี้รู้สึ ก, กว่าพวกเรายัางไกลกันมากที่สุดไกลกัน ไกมากที่สุดลอันนี้ไม่ต้องพูดสูงส่วนรวมดอกรองให้การบ้านไปคิดคนคนเดียวอันนี้นจะมาขึ้นไปเมืองเหนือไปไปเทศอดให้เขารักษาศีลอย่างเงี้ยเาว่าอีท่านอาจารย์เทศออย่างเงี้ยท่านจะฉันข้าวกับอะไรไม่รู้อจะมาว่าไม่รู้ ถ้าอย่างนั้นเราไหมผมจะโขกพริกกเกลือมาให้ท่านฉันตัววันตัววันท่านจะฉันได้ไหมอาตมาใครจะทําใครโยมคนไหนจะทํามาเอาวนันนี้ใครจะทํำไหมอา้าย่าหนีจากการในเราให้โยมโขพริกเกลือมาทุกวันทุกวันอาตมาก็จะฉันในทุกวันทุกวัน อาจารมาไม่เคยใครมีศรัทธาอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยอืเอาไหมเอากันจินตีมั้ยอูธรายปีก็เอากันไหมให้โยมมาวัตถุวานา<ม>นี่คอยู่ไปนั่งยิ่งนู้นเหมือนใกาทําหรอกมันพูดแต่ปากกันเนี่ยให้เราโจรท่านั้นเลยความจเป็นคนนั่งมาวัตถุวานมันต้องมีศรัทธาไอ้คนพูดเช่นนั้นมันไม่มีศรัทธาหรอกมันพูดไปงั้น อันนี้คืมันกัรฉะนั้นผู้ที่เราถึงพระรัตนตรัยเนี่ยนะพระรัตนตรัยคือประพุทธประทำประสง์นี่มันง่ายที่สุดโยมันง่ายมากการจะทำอะไรต่ออะไรมันง่ายมันไม่ยากอืมไม่ต้องเลือกวันนั้นเดือนนี้ยามนั้นไม่ต้องแล้วเออนะ พระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าเมื่อไรมันสะดวกวันนั้นมันดีอมันไม่ขัดข้องวันนั้นมันดีอปลูกบ้านปลูกช่องสารพัดอย่างอืจะต้องหาเมื่อวันทันยามกันพวกเราพระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าเมื่อโอกาสมันเหมาะสมแล้วให้ทําไปเลย เราก็กลัวผู้ถึงพระณาตรัยเต็มที่แล้วถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะกลัวแล้วมมมไม่มีอะไรที่จะกลัวคือว่ามันไม่ผิดหรอกเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำเมื่ อ, อไรมันสะดวกมันถูกกับเวลาของเราสะดวกเอาเละ เนี่ยท่านเอ า, อานี้เราให้เงินเถอะอือจะต้องเอาวันนั้นวันนี้อันนี้อันจะมาเต็มทุกลำคาญพูดแล้วก็พูดอยู่แก่มันใส่กระตกยิ่งแล้วก็คือวันแต่งงานเนะี่ยเป็นวันที่สําคัญของเขามากอืมต้องเอาวันนั้นต้องเอาริบ อ, อย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยอาผาลวงตาไปฉันจะนั่งเหนื่อยจะตายแล้วอยู่นั่นแหละนะ อืมนะถ้าไม่ได้ลืกไม่เอาต้องให้ได้ลืก อ, อืมนะอันจะมาก็คอยสังเกตมาใครมีลึกดีๆนั่นอ่ะมันเป็นไงไหมมันดีบางคนก็อยู่ไม่ถึงเดือนทะเลาะกันไปเลยเอา้าวดูสิ ม, มันเป็นแค่อย่างนี้แล้วก็มาใสยสังเกตเหตุผลละก็ต้องเอาวันนั้นวันนั้นมันจมวันนั้นมันฟูวันนั้นมันจม ข้งขขงงางขึ้นข้างแลมตืองทำข้างขึ้นข้างแรมอย่าเอาดูเดือนมันตกไปเศร้าไปมันหมดแสงมันน่ยเ อ, อก็ไปถือเอาเรืองนะนั่นมาทำรืกของเราซะรื้มันก็เป็นเรื่องของรืเวลาก็เป็นเรื่องของเวลามันไม่ใช่มาเกี่ยวข้องกับเรา เราไปคิดอะไรกันมากขึ้นมันก็คือกันขึ้นอัะไรก็เป็นนั่นนั้นทุกอย่างเรื่องพุทธศาสนาของเราเนี่ยุ่งเหยิงหลายอย่างอจนกระทั่งทีวะ่ะพูดไม่ค่อยจะได้กันอืทีนี้เรา ม, ามองที่เปเป็นอย่างนั้นออพรัตนาไกลของเราไม่จะเสื่อมไม่เศร้าหมองมันก็เศร้าหมองท่านนั้นเอง มันกระเสือมมันก็เศร้ามองอืมรึมั น, มมมนดียามมันดีอะไรมันดีอะไรที่มันเหมาะสมมันที่ไม่ขัดข้องนั่นแหละแต่ว่าวมันดีแล้วทั้งพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังถือมาตลอดทุกวันนี้ไม่เคยเห็นเป็นอะไรอืไม่เคยมีจิตตัวกลงอย่างนั้นเมื่อมองมองดูคนบางคนตระกูลบางตระกูลโยมบางโยมก็มดา บ, บากมาก แต่งงานทำไมถึงบึจร <Se ion vert> <S 々>ิงๆเลวเอาละไม่ต้องอ่ะกนะต้องรถถ้าฉันเสร็จแล้วก็นั่งคอยอยู่น่ะแล้วไปถึงบึ้งสัญญาโตโคติยาโมเรเนี่ยอือก็ดีบ้างได้บ้างเสียบ้างเหมือนกันบางคนก็อยู่ด้วยกันไป เดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องกันหนีไปแล้วทำไมลูกมันไม่คุมแต่ละลูกมันไปตรงไหนอันนี้ให้โยมคิดเนี่ยอาจจะมาเคยพูดอยู่ดีๆให้โยมคิดให้โยมคิดไม่พูดถึงการตกลงกันนะเราเราต้องเอาวันนั่นทนตกลงกันอันนี้เป็นอย่างถ้าเราตกลงกันวันไหนก็ตกลงกันวันนั้น อันนี้เรื่องตกลงกันร้อมเพียงสามัญชีกันไม่ใช่ว่าไม่ได้วันจันน์หน่เอาละไม่ได้วันอังคารหม่ยเอาละไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งไม่มากเลยเท่านี้ละมันมันมันมันก็ยุ่งแล้วเมื่อเรารัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้เป็นมงคลตื่นข่าวนี้ออกเท่านี้แล้วก็ มันก็เก้าก็ไปห้าสิบปอร์เซ็นแล้วเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดสูงส่งนี้แล้วนี่จะสบายกันจะสะดวกกันทุกอย่างอย่างตามบ้านนอกเราน่ะทำได้ทำนาทำค้าทำกายทำโน่นทำ น, น, ทำนี่อย่างนี้เห็นส่วนยื่งขัดข้องหลายโดยการถือกันนี่ก็ลำบาก อีกอาจะมาอยู่วันหนึ่งเขาให้เอาหนังเสือมาให้ลงคาถาให้อืหนังหนาผากเสือนี่มันต้องฆ่ามันถึงเอาหนังหนาผากไว้มาได้ก็นึกว่าเราได้ของดีแล้วเอาไม่ต้องพ่อลงขาษาให้จะลงอะไรทําไมเสือกรไปฆ่ามันแล้วเนี่ยหนังมันจะดีอะไรเนี่ยหนังมันจะดีอะไรือ ไปฆ่าตัวมันเอาหนังเสือมาเอามาลงคาถาอยู่แล้วนี่คิดกันไปอย่างนี้อืมไอ้ที่มันดีนีจะไปฆ่าเสือนั่นแหละมันดีแล้วอันนี้ไปฆ่าเขาตายยังถือมันต่อดีเอาหนังมันมาลงคาถาอีกจะทําทอะไรต่อไปองั้นเป็นอย่างนี้มันถือผิดจะโน้มถุงหลายตัวนี้กองที่มัดอาตมาเนีะ่ะมัดทุ่งกองพระศรีเพลินถิ่น มีอาจารย์องค์ไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าได้นังหน้าหน้ากองมาได้จะลงคาถาให้ก็เลยไปถ่ายเอากองเพียรที่วัดนุง่งวัดทุ่งปาดหน้ากองที่มดเตอเอาไปลงคาถาก็คงจะเห็นไอ้กองเพียรมันดังเนาะถ้าตีขึ้นไปคนมารวมกันเนาะอันนี้คงจะดีแน่จะว่าไงมั้ะเอามาลงคาถาซะอย่างนี้เรื่องทั้งหลายแล้วนี่มันหลายเดือแดดไปเกิน นะเมื่อค้นถึงพุทธศาสนาเราแล้วจริงๆนั่นมันก็ลําบากอยู่มี่ว่าจะเอาตรงไหนมันดีอืมมันลําบากออืืการปฏิบัติของเรานั้นมันทิ้งไม่ปรากฏผลขึ้นมาอไม่ปรากฏผลขึ้นมาไม่ปรากฏผลขึ้นมาอืม เรื่องทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์มันยุ่มตัดทิ่งมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์ก็บูชายันทําไมพราหมณ์ถึงบูชายันอญเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาก็จึงบูชายานมันตรงกันข้ามกับทางพุทธศาสนาของเราทําไมทึงทําบุญกันทําบุญกันทําไม ทำบุญกันพระพุทธเจ้าของเราหมายถึงเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวหรือทำไปเพื่อเจนาให้กำจัดความโรคออกจากใจของเราอย่างนี้ ม, ม, ม, มันไปคนละข้างจและมันไกลอย่างนั้นพูดถึงพระรัตนตรัยนั้น หยาบๆยาบเหมือนเยอะมันเยอ ะ, อ ม, อ ม, ม, ยอะมันยังไม่ไป อ, อย่างนั้นจะไปพูดถึงอะไรอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐายะธรรมิโนมันจะถึงสังขารเมื่อไรมันจะเห็นสังขารเมื่อไรมันไม่ได้พิจารณาสังขารแม้จะนั่งสงมาธิทาจิตในป็นหนึ่งมันก็ไม่ดูเรื่องเลย ไม่รู้จะทำแต่ไม่เคมองเห็นตรงไหนอันนี้ให้พวกเราไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติได้แต่ว่าเป็นพระนี้มันไกลาจากความกังบนมากแต่ว่าบ้างแห่งก็ยิ่งกังวลมากขึ้น ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งชีวิตลำบากอยู่เพราะนั้นการภาวนานี้ธรรมะนี่จึงใช่การภาวนาการจิตเจตนาอย่างพระนวกระชันเทศให้ฟังเนี่ยท่านมารวมเสียว่าพุทธศาสนานี่ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเรียนมาก ขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบตัติอันนี้ทัานพูดสั้นๆท่านมีความคิดขึ้นเห็นยังไงก็ไม่รู้ของท่านพูดสั้นๆจะถูกทั้งหมดเลยมันอยู่ที่การปฏิบตัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันไม่เกิดประโยชน์มันเสียหาย ทุ่มเราทำนาอืเราทำนากระทั่งทุ่งนึงแต่รู้ถึงที่มันจะเกี่ยว เ, เราไม่ไปเกี่ยวมันก็เสียหายมากการกระทำนั่นก็ไม่ได้พ้นเนี่ยมันเปรียบเทียดกันอย่างนี้แต่ว่าทำไมการปฏิบัติทำไมมันถึงยากอืทุกอย่างมันต้องข้ามสิ่งที่ว่ามันยากไปก่อน มันถึงจะง่ายที้อัสจัรย์ว่าทุกข์ทุกข์พอเราเห็นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่พอบ ก, กันแล้วทุกข์ไม่อยากจะดูทุกข์ไอ้ความ จ, จริงตัวทุกข์มีตัวสัจธรรมสะะัจธรรม แต่เราอ้อมนี่สักไม่อยากจะดูทุกไม่อยากจะดูทุกดูอีกอย่างคนแก่แก่นี่ก็ไม่อยากจะดูอยากจะดูคนหนุ่มๆนี่เป็นแค่อย่างนั้นอทุกนี่ไม่อยากจะดูไม่อยากจะดูทุกมันก็ไม่รู้จัดทุกตลอดสี่พกสีกส่ชาติไม่รู้จัดทุก ทุก็เป็นเป็นตัวอาิียสัตว์เป็นสัตว์จะทำทุก ม, มันทุกถ้าทุกเป็นเหตุให้เราคิดหลบหนีแก้ไขอืมที่นี่เพื่อเกิดสายอย่างที่นี่มันมันลกนะไปไม่เคยไม่เคยได้ทางนี้มันลก ไปมันลกอยู่นั่นแะไปแต่เราก็ไปไม่หยุดไอ้ความคิดมันก็คิดขึ้นทํายังไงเนอะถนนเช่นนี้มันถึงจะไปง่ายไปทุกวันคิดทุกวันไปทุกวันเจอนี่มันเกิดความคิดอย่างนี้อนี่คือที่ว่ามันไม่สะดวกคือตัวปัญหาตัวปัญหานี่มันเกิดขึ้นมามันกระเพื่อหาเฉลยแก้ปัญหานั้นถ้าไม่มีทุก มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยอย่างนี้อันนี้เราข้ามไปพระพุทธองค์การสอนว่าทุกยังอจะมาฝึกพัดพระสุธันเล่าให้ฟังดูไหมสันเหล่ามันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมมันทุกข์จะให้มันทุกข์ก่อนดีมันจะอดทนไม่มีความอดทนมันจะเห็นธรรมะไหมอืมมันทุกข์ เห็นไหมทำไมปีสามไม่เคยจะตื่นเลยพอปีสามเอาแล้วรังคังงานงานงานละแม่เรามาัสองโมงเช้า ห, หรือโมงขรึ่งเลยตื่นอยู่ในบ้านเราอันนี้มาตื่นตีสามมันก็แย่นทำไมไม่เจ้าอยากหล ด, ดนี่ละก็คิดเพีงบ้านเท่า น, นั้นแหล้วม่อยู่บ้านพอ่อบ้านแม่เราไม่ลำบากแต่ไปมันจะดีกว่า มันก็จะทุกข์ทำไมนไม่ทุกน์การทผล่ฉันถ้าต่ า, า, างยี่สิบสามสิบที่อัตมาก็ให้ฉันเป็นดาบกันไปดีดแม่เมื่อเวลาเราหิหวนะหน่อเนะเวลามัแบบนี้เด็กๆมันทําไมฉันพร้อมกันไม่ได้ที่ทำมันยุ่งยากมีละมันยุ่งยากแล้วมันดีอืมัมนอดทนดี ที่พระไม่มาก็สั่งอยากกินชั้นก็ฉันอยากนอนชั้นก็ฉันอะไรฉั้นก็มันก็มาพบที่นี่เขามันก็ทุกข์ถ้าเราสองฉั้นโดยระลอกสั้นไปกว่าจะถึงเราแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันเต็มที่อดแล้วอดอีกอดแล้วมันก็ทุกข์กว่าที่จะปรับตัวเขาได้นี่ยสามพรรษาไอ้สามเดือนอัตมาก็เคยบอกว่าพระนบกะเราทางแรกก็ปล่อยให้อ่ เดือนที่สามนี่พอรู้เรื่องก็ยึดนี่ว่ามันผ่านพุกมันนั่นเองแหละทีนี้ชาด้ผ่านที่มเอาไปติดจะสิบไปทำมาค่าขายจะทำอะไรไปตนมีกำลังการงานดีขึ้นมีกำลังขึ้นดีขึ้นกำลังที่จะทำมัน ง, ง่ายมันมีลูกจิตองหนึ่งที่มาอยู่ด้วย ตื่นตีสามนอนเมื่อกี้หกทุ่มตีสี่ 4, ท่านมาอยู่ถุกไปเป็นทหารโอ้โหการอยู่อยู่เวรขึน้นเขามันจะตายเนละ้่ยติดตารางเลื่อยไอค้คนคนนี้เขาสบายเนี่ยเดินจูงมือไหมเจ้านายรักนี่ ออกไปเรบวนมาอุ้ยทหารมันจะวายเรียวเกินมันไม่ยากหรอกมันง่ง่ายไอคนนั้นไม่เคยติดกรรมฐานมันจะตายเลยวนี่ยนีะนี่ดุจสิทธน่ามียืีอยู่กลับมาบวชอีกอะนี่จะเด็นสิทธธรรมะเลยนี่นี่ที่มาบวชวัดประพงศ์นี่มันเป็นทุกข์อืมมันเป็นทุกข์เพราะเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันเป็นทางกัดรู้ของพระพุทธเจ้าของเรา ท่านเห็นทุกทุกชะมูทยัยมีโรธมักออกช่องนี้เลยพระอเดียบุคคลออกช่องนี้อืออกช่องนี้ไม่ออกช่องไหนใครจะไปตรงไหนออกช่องนี้ไม่มีที่ออกออกช่องนี้ออกรู้จากทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความหลักทุกรู้จากข้อปฏิบัติเห็นถึงความหลักทุกออกช่องนี้ อถ้าโสรารวันเบื้องต้นพระดิยาบุคคลเบื้องต้นจนปลายออกตรงนี้ไม่มีทางที่จะออกถ้าไม่รู้จักทุกออกไม่ได้ต้องรู้จักทุกคนเรามันรู้จักทุกทุกทุกทุกอย่างมันทุกทุกใจของเรานี่สารพัดอย่างโยมก็เคยจะทุกข์กันนะว่างี่คือปฏิบัติเนี่ยในทางพุทธศาสร์เพื่อแก้ทุก ทำอะไรจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เมื่อ ท, ทําปุ๊บมันทุกข์ขึ้นมาเลยเมื่อทุกข์ขึ้นมาจะตามหาเนี่ยทุกข์มันเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ก็ตามหามันเออมันเกิดจากตรงนั้นท่านก็ไปทําลายเหตุตรงนั้นซะไม่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่พอเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์จะก่อนจึงจรู้จักรวยมันทุกข์มาจากอะไร ยิ่งมุตามมันไปอีกจริงไปแก้ตรงนั้นมันเกิดจากอันนั้นก็ไปทําลายสิ่งที่มันเกิดนั่นในนี้ไปด้วยการปฏิบัติของนั้นทุกสมุทยัยมีโรธเอ้ความหลับเช่นนั้นมันมีอยู่จะต้องหาข้อประพฤติปฏิบัติอืมเป็นมั่งเพื่อจะเดินทางเข้าไปดับทุกแก้ตรงนั้นทุกมันที่จะไม่เกิดแล้วอย่างนี้ ทางพุทธศาสนาออกไปตรงนี้ไม่ออกไปที่ไหนดังนั้นชาวมนุษย์เราทั้งหลายมันจังตกข้างอยู่ในโลกเนี่ยมากมายกายกองมีแต่เรื่องสงสัยวุ่นวายตลอดเวลาอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันของยากของลําบากอยู่ฉะนั้นจะต้องทิ้งมันส่วนหนึ่งนะเอาทิ้งมันส่วนนี้อืศีลธรรมมั น, น, นต้งท่องทิ้ง พึ่งร่างกายที่ตัวนี่ต้องตกปรุงตกปรงถวายชีวิตอย่างนี้อย่างพระที่เคบวชมาอย่างพระพุทธองค์เหรอไหมพระพุทธองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคนเราไปเห็นแต่เป็นกษัตริย์ออกมาบวชไม่ผิดสทิท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ไปได้ที่อะไรท่านก็ร่ำรวยหมดทุกอย่างแล้วท่านก็ไปได้เนี่ย ก็ไปเห็นอย่างนั้นอีกออรู้ไหมว่าไอ้ตัญหามีประมาณไหมว่าขนาดไหนตัญหามันถึงจะพอมีไหมมันมีไหมมตัญหานั่นได้มาขนาดไหนมันถึงจะพอมเห็นไหม้องถามไม่ได้ไม่พอไม่มีเมืองพอใช่ไหมปัหามไม่พอ มันก็อยากอยู่เรื่อยๆไปนลยเนี่ยแม่จนทุกข์จนจะทุกข์จะตายอยู่มันก็ยังอยากเลยเพราะว่าเมืองพอมันไม่มีอันนี้มันเป็นจริงสีสําคัญถ้าความเป็นจริงแล้วนะให้คนเราเนี่ยสติมันะให้มันสมรุนพอสมควรเลยนะเอาพูดถึงอ่ะเครื่องแต่งตัวเลยนะมันสี่ชุดนะอข้าวปลาอาหารเราเนะี่ยกินมากสลาย อย่างน้อยกะทินี่สองจานพอแล้วนะเอี่ย้างนึงสองจานก็พอแล้วเครื่องแต่งตัวของเรานี่แตชุดสองชุดมันก็พอแล้วนะถ้าหากว่าเรารู้จักประมาณของเราแล้วมันจะสบายนี่เราไม่ได้จักประมาณพระพุทธองค์ท่านสอ น, นเสมอว่าสันตุ ชีเจตคถาเป็นคาถาของเศรษฐีคือแปลว่าความยินดีในของที่มีอยู่สารพิจิตรคถามยินดีในของที่เรามีอยู่นี่เป็นเศรษฐีคถ า, าเศรษฐีก็เป็นอย่างนี้อืให้เรายินดีในของที่มีอยู่ของเรา แต่ธรรมะข้อนี้ไม่ได้ก็วุ่นวายอีกไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีแก้วใบเดียวท่านี้นก็เอาใบเดียวท่านี้อื่นมาอีกไม่เอาไม่ใช่อย่าง น, านัน้นถ้าหากว่ามีแก้วใบเดียวท่านี้ในเวลานี้เราก็ต้องการใบดีแนี้ไม่ดินรนนะ อีกพรุ่งนี้ประเด็นนี้มีผู้เอามาให้อีกใบหนึ่งล้วก็เอานะก็ยินดีสองใบนี้ใบที่สามน่ะเฉยใช้สองใบมีไปอยู่นี้แล้วมันจะมีสองใบนีใช่มันสองใบนี้แค่พยายามเหมือนกันใบที่สามมันไม่พอใช่ก็พยายามไปพยายามเท่าที่มันพอได้ของมันไม่ให้มันเหลือในสิ่งที่พอได้อย่างนี้ ไปเรืไปอย่างนี้เดียวยินดีในของที่มีอยู่ไม่ใช่ไปมีแถวนี้แถวนี้จ้องกันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนว่าถ้าย็นดีในของที่มีอยู่เราจะพออยู่พอกินไหมต่พูดไปอย่างวันนี้ทุกวันเราหาเงินในวันละร้อยบาททุกวันทุกวันนาะพอถึงวันนี้มันในยี่สิบห้าบาทมันเย็นแล้วนะเลิกพอ มันเย็นได้หมดเวลาละพอแล้วถ้าคนไม่รู้เรื่องหัวเมียก็ทะเลาะกัน <c oughs> ใช่ไหมนี่วันนี้พอแล้วแป่ว่าพรุ่งนี้หาหาอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ห้าสิบบาทพอ <c oughs> พอไม่ต้องยุ่งมันใช่ในระดับอันนนที่มันมีมานั้น <c oughs> ต่อไปอีกเราหาได้อีกต่อไปอีกหลายวันอีกในร้อยบาทเปล่า ต่อไปอีกในสี่บาทเอ า, เอาสี่บาทต่เอเอาอย่างนี้ก็เรียกว่าสันติคาถายินดีในของที่มีอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดแคน่นี้เวลานี้คือเรียกว่าไม่ให้เกิดตัญหาถ้าตัญหาเกิดมาแล้วมันทุกข์ถ้าเราเอาอย่างนี้มันทุกข์มันไม่มีแต่แค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้อย่างนี้ไม่ก็ธรรมดาธรรมดาของเรา ข้าวสาในประสอบของเราในหม้อของเรามาหิวเอามากรอกนอหมอ้อามาหงอันนี้ไม่ใช่ตัญหาหงกินแล้วก็แล้วไปหมดเดี๋ยก็หาไม่มาไม่ใช่ว่าอยากข้าวมันก็เป็นตัญหาเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นอยากเป็นตัญหามันเดือดร้อนตัวไม่ได้เรียดเวียนคนอื่นสารพัพอย่างมันก็เป็นตัญหาอย่างนั้นนี่คนเราถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนี้ มันก็เป็นทุกข์ของมันอืถ้าฟังคําหนึ่งก็เดียวว่าสันติปัฏถานี่ก็เดียกว่าเป็นธรรมสั้นๆเป็นธรรมในกว้องๆนี่คือเป็นธรรมที่เย็นๆไม่ใช่คนไม่มีปัญญาคนนี้คือคนมีปัญญาอืเป็นคนมีปัญญาอ่อยู่ไปเรื่อยๆเป็นบันลุบรบรไปแต่นั้นอืมอืมอืม นี่เรียกว่าเรารู้จักเราดูจักใช้เราดูจักยึมเราดูจักประหยัดพระบรมศาสตราของเราสอนมาให้รู้จักให้ประหยัดมันนเองละ่ะแต่ว่าไม่ใช่ตนีคือคนดูจักใช้คนตันีก็เป็นอย่างนี้ ของตีควรจะทานก็ไม่ทานเป็นเจ็บเป็นไข้ก็ไม่รักษานี่ตัวสะต่างจะหมดไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่รู้จักใช่รู้จักมัตยสัจควรใช้ในราชีจําเป็นอย่าเอาไปเล่นทั่วไปอืมเนีอย่างนีน้รู้จักประมาณในการอืมทั้งหลายทั้งปวงรู้จักประมาณตลอดการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการจาทุกอย่างให้รู้จักประมาณ คือเป็นผู้รู้จักประมาณไม่ใช่เป็นคนขี้สนิทถ้าเป็นคนที้สนิทพระพุทธองค์ท่านจะไม่เอาอีกไม่ให้เดินทางนั้นอีกให้เป็นคนรู้จักใช่อย่างเพื่อจะมาให้ทุกขมันเกิดขึ้นมามเป็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นจึงมีประโยชน์อัตามาจริงบอกว่าไอ้ศาสตร์นี่มันน่าศึกษาอืความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นมันน่าศึกษา น่าคิดน่าพิจารณาอันนี้มันเป็นเรื่องศีลธรรมถ้าเรามันมีพออยู่พอกินแล้วมันกันเรื่องอบายต่างๆได้ที่นี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะ้วนๆพูดถึงการปฏิบัตินั้นมันยิ่งไปรึตัวนั้นอีกยิ่งไปรึตัวนั่นอีกญาติโยมบางคนอาจจะฟังไม่ได้เหมือนกันฟังไม่ได้เหมือนกัน พูดแต่แค่ว่าท่านว่าท่านไม่มีที่เกิดอีกแล้วพบชาติท่านหมดเท่านี้ไม่ต้องเกิดอีกเท่านี้ก็เป็นเหตุโยมไม่สบายใจแล้วนะไม่สบายใจแล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานั้นพระพุทธองค์สอนว่าไม่ให้พวกเราไปเกิดนั่นแหละมันทุกข์ <c oughs> เกิดตัวเรียวนั่นแหละ รพระพุทธองค์แต่งพวกไปวนมาแล้วพิจารณานั่นเห็นความเกิดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเกิดนี่ละพายทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมามันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวนี่มีตาพร้อมมีปากพร้อมมีจมูกพร้อมมีสารพัดอย่างมันมีขึ้นมาพร้อมกันเลยเนี่เพราะการเกิดนั่นเองแหละอืมแต่พวกเราว่าถ้าถ้าตายไม่ได้เกิดนั่นท่านว่าอืมชิบหายไปแล้ว สิหายไม่อยากจะไปไม่อยากจะทำอย่างนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์ท่านสอนมันลึกที่สุดตัวเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เราเราเรามันทุกเพราะอะไรไหมทุกเพระการเกิดมาท่านการเกิดมามิจฉานี่นท่านจึงพยายามประหยัดการเกิดอไม่ใช่ิญไปแตเกิดร่างกายที่เรามันเกิดนะร่างกายที่มันตายนี่นะคนเราเห็นในง่ายๆเด็กๆมันก็รู้จัก ที่ล่างกายตายลมหนีหมดแล้วนอนอยู่นั่นนี่เราถึงเจดรู้ว่าคนตายนะคนตายคนเราโวยมากจะรู้แต่อย่างนี้ว่ามันตายไอ้คนตายหายใจอยู่นั่นคนจะไม่รู้นะมั้งคนตายพูดได้อยู่นั่นคงจะไม่รู้จักไอ้คนตายเดินได้วิ่งได้อยู่นั่นคงจะไม่รู้จักเราไม่เคยกิาลานี่ อีกคนตายก็เห็นแต่ลมหายใจหมดแล้วนั่นนะตายคงจะเห็นแค่นั้นการเกิดก็เหมือนกันเมื่อคนนั้นเกิดไปเมื่อน้องไปคลอดโรงพยาบาลเน่ยเกิดแล้ว เ, เวนี่ยเท่านีน้อืมนะขณะจิตที่มันเกิดเนี่ยที่มันวุ่นวายในบ้านเนะ่ยเห็นไหมบางทีเกิดความรักบางทีเกิดความเกลียด บางทีเกิดความไม่พอใจบางทีเกิดความพอใจสารพัดอย่างนี่เปนเรื่องเกิดทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์เพราะอันนี้เองมองตาไปเห็นลกูกแล้วเกิดไม่ชอบใจนี่ก็ทุกข์ละหูฟังเสียงนี่นชอบใจหลานี่ก็ทุกข์อีกแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนี่ยฉะนั้นสิ่งท่างวงนี้ท่านสารูปว่ารวมแล้วนั่นน่ะมันมีแต่กองทุกข์ ทุกมันเกิดขึ้นแล้วทุกมันหลับนะทุกมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกมันหลับมีเรื่องสองเรื่องตรงนี้ทุกเกิดทุกหลับทุกเกิดทุกหลับแล้วก็จะคุบมันจะคุบมันเกิดแจะคุบมันหลับก็จะคุบอยู่อย่างงี้นั่นเลยจบเรื่องมันจะทีหนึ่งนะเรื่องทุกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เียกว่ทุกถ้าทุกมันดับไปตรงที่มันดับไปเราเรียกว่าสุข เนี่ยของเก่าแล้นแหละที่มันเกิดได้มันดับพระตัณเจิงบอกว่าให้พิจารณาว่ารู้เนี่นามธรรมนี่มันเกิดได้ก่อดับไม่มีอื่นไกลนอกไปกว่านั้นนอกจากมันเกิดกับดับแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ยถ้าพูดตามส่วนนี้ว่าสุขมันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ทุกเกิดแล้วเราเห็นว่ามันทุกข์ ไอ้ที่มันดับไปนั่นก็ทุกข์หลับไปเฉยเยไม่เคสุกหอกแต่เราไปหมายเอาตรงนั้นว่ามันสุกก็ทุกอันเก่ามัน่ะมันละเอียดตรงนั้นทุกข์เกิดทุกข์หลับทุกข์เกิดทุกข์แล้วก็าระคุปอย่อย่างเนี้เกิดคุปอยูกอย่างนี้อืมสุกเกิดขึ้นมาตัวดีใจทุกข์ก่ไม่แยใจอย่างเงี้คืออันเดียนั่นเกิดมันดับถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็มีถ้ามันดับตรงนั้นก็หายสงสัยอยู่ตรงนี้แหะ อีพระอจารย์จึงบอกว่าทุกเกิดแล้วทุกหลับนอกนั่นไม่มี <spinning> รวมแล้วว่ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรแต่เราก็ไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดว่ามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะว่าตรงที่ทุกข์มันดับไป น, นั่นเราเห็นสุขเดินตะคุบอยู่เนี้ไม่รู้จักอันนี้คือมันเกิดเด้อดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นอืม พระทันสารูปแล้วว่ามีแต่เกิดกับรับเท่านั้นนอกเหนือนั่นไม่มีอีกแล้วทีเนี้ยพูดทานี้ก็ฟังยากแล้วใครเรานะพูดทีนี้ก็ฟังยากเป็นของฟังยากแต่ผู้ซึ่งในธรรมะนั่นไม่ต้องรับอะไรแล้วมันสบายตรงนัน้นจริงอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงในโลกที่เราอยู่นี่ไม่มีอะไรทาไมใครเลยเนี่ย ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นเป็นที่จะวีตกวิจาร์เลยไม่มีที่จะอะไรจะเป็นที่น่าร้องไห้ไม่มีสิ่งใดที่จะหัวเราะไม่ไมีนี่มันเป็นเรื่องอยู่อย่างนั้นธรรมดาธรรมดาแต่เราพูดธรรมดาก็ได้แต่เห็นธรรมดาเราล้องไห้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นธรรมดาพูดย่ำอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จักของธรรมดาอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่น สิ่งทั้งหลายทานถ้าเรารู้ธรรมะสม่ำเสมอแล้วนั่นไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะสงกอย่างนั้นมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์นี่พี่ว่ามันมีสุขมีทุกข์อยู่นี่ก็เรียกว่ามันเป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนี้อืมก็สร้างกรามชนิดหนึ่งที่ว่าให้มันระงับทุกข์ให้มันเกิดสุขที่เราต้องการอยู่ถุกวันนี้ ต้องการในตุววันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันสงบมันเป็นสุขเป็นทุกข์ในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นท่านว่าให้ปฏิบัติสร้างกรรมอีกชนิดหนึ่งให้มันเหนือสุขทุกข์อันนี้มันถึงจะสงบเหนือแล้วเหนือแล้ว น, น, นี่เราเราคิดไปไม่ได้ตรงนี้มันคิดไปไม่ได้ คิดได้แต่ว่าสุขนั่ น, นคือความสงบได้สุขแล้วก็พอแล้วได้สุขก็พอแล้วแค่นั้นมนุษย์เราถนัดจริงจะปรารถนาแต่สิ่งที่อะไรที่มันได้มากมากถ้าไร้มากก็ดีนี่นี่ได้มากก็ดีคิดแต่อย่างนี้กันโดยมากก็คิดกันอย่างนี้เห็นมามันสุดแค่นั้น หรือเว่าการทําดีนั้นในดีแล้วมันจบแค่นั้นเน่ยฉันต้องการแค่นั้นก็พอแล้วว่าดีมันจบตรงไหนเล่านีดีมันจบตรงไหนน่ ะ, นะมันก็วบไปวนมาอย่างนั้นะดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ดีอย่งั้นตะคุกอยู่งั้นตลอดวันอย่างข้ามน ะ, นะพระพุทธองค์ท่านสอนว่ามึงให้ละความชั่วแต่ก็ให้ ก็ทำตามความดีก็ทำไปดีๆตอนที่สอท่านจะสอนว่าไอ้ความชั่วก็ต้องทิ้งมันเสียไอ้ความดีก็ต้องละมันเหมือนกันไม่ต้องมันหมายมันเพราะนี่เป็นเชื้อเพลิงกันหนึ่งมันมีเชื้ออยู่มันจะเป็นเชื้อเพลิงมันลุกขึ้นมาอีกไอ้ความดีมันก็เป็นเชื้อไอ้ความชั่วก็เป็นเชื้อ อันนี้ถ้าพูดถึงคันนี้น่มันฆ่าคนซะแล้วนี่คนคิดตามไม่ไหวซะแล้วอย่างนั้นแต่จึิงบกมาสอนศีลศีลธรรมกันให้มีศีลธรรมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและ ก, กันให้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้ท่านก็บอกให้ขนาดนี้มันก็ยังไม่หยุดแต่แล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ คือเรามันเป็นอยู่อย่างนั้นนะนี่เพราะทั้งหลายเรานี่ก็เพราะอะไรเนี่ะมันมันเป็นมาเพราะการเกิดที่เราสวดสมาจักรเนี่นี่แถวนี้การเกิดอีกไม่มีเป็นชาติที่สุดแล้วการเกิดอีกของตัวสาคศทัานไม่มีมนวลไปพูดเอาสิ่งสิ่งที่เราไม่ปรานถนานี่อย่างนี้ถ้าเราฟังธรรมะเนี่ยเออมันก้าวกกลกันอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นทางที่เราจะไปให้มันสว่างกับธรรมะนั้นไม่มีโยงน้อยมันน้อยอัตมาก็ปฏิบัติเที่ยวไปนี่หลายเมืองหลายที่หลายร้อยคนหลายพันคนแล้วใครจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพื่อพ้นทุกเนี่ไม่ค่อยจะมีน อ, นอกจากพรกรรมาฐานเหมือนกันที่เห็นเช่นนั้นพูดถูกกันเห็นอย่างนั้น นี่พูดผิดอย่าพ่นจากบตรดาสงสารจริงๆ น, น้อยที่นี้จะพูดไปธรรมะอันละเอียดจริงๆแล้วโยมเรานะ่กลัวนี่นะกลัวไม่กล้าหมพี่แต่ขนาดที่ว่าอย่าไปทำวามชั่วขนาดนี้ก็ยังเอาไม่ไปจะได้นะมั น, น, นเป็นไซนอย่างนี้แค่ น, นั้นอาตมาก็เคยเทศบอกว่า หลายอย่างอวัยกรรมาเทศให้ฟังโยงดีใจก็ตามเสียใจก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามร้องไห้ก็ตามร้องเพลงก็ตามเถอะอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในกรงทั้งนั้นแหละไม่พ้นไปจากกรงถึงแม้มันจะรวยก็อยู่ในกรงมันจะจนมันก็อยู่ในกรงมันจะร้องไห้มันก็อยู่ในกรง ไม่มันจะลำบงอยู่ก็ลำบงอยู่ในกรงมันจะดูหนังแตดูหนังอยู่ในกรงกรงอะไรเล่ากรงคือความเกิดนี่กรงคือความแก่กรงคือความเจ็บกรงคือความตายเนี่เปรียบเทียบมันกป็นนกเขาที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราเนอืมแต่คนไม่ดูกงไม่ดูจักเราเอานกเขามาเลี้ยงไว้ในบ้านของเราเนี่ะ เราก็ฟังแต่เสียงขันมันนะโน่นไปยืนยออย่างน้นกฉันมันขันดีนกฉันมันเสียงโตนกฉันมันเสียงเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไปถามนกเขาเลยว่ามันสนุกหรือเปล่าเราก็ไม่ถามไปเพราะว่าเราเห็นฉันเอาข้าวให้มันกินแล้วเอาน้ำให้มันกินแล้วทุกอย่างอย่ในกรงทั้งหมดแล้วต็นึกว่านกเขาจะพอใจมันนกกระทำจะพอใจมันไหม เรานึกหรือเปล่าว่าเมื่อหากว่าเราเอาข้าวให้กินเอาน้าให้กินเอาเราไปขังไว้ในโกงอย่างนั้นเราจะสบายใจไหม ม, มันไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เราคิดว่านกเขามันสบายแล้วน้ามันก็ได้กินข้าวกันมันจะทุกข์อะไรมันไปคิดแค่นี้ก็หยุดแหละแต่นกเขามันจะตายแล้วนกกระทามันจะตายแล้วมันอยากจะบินไป มันจะออกจากโลงไปแต่เจ้าของนกก็ไม่ดูเรื่องเม่นกฉันมันขันดีเนอะตลางคืนมันก็ขันหนะ้าเดือนง่ายๆนกฉันนะั่ะยังคุยโห่ไปโน่นอีกไอ้นกเขามันจะตายแลย้วมันจะออกจากโครงไม่ดูเรื่องกันเลยอย่างนี้เหมือนการเราขันไว้ในโลกนี้แหละอันนั้นก็ของฉันอันนั้นของฉันก็มีอันนั้นก็มีสารพัดอย่างไม่ดูเรื่องของเจ้าของ ไอ้ความเป็นจริงก็สะสมกองทุกไว้ในตัวของเราห น, นึ่งเองในอุนไกรเราคือไม่ได้มองถึงตัวเหมือนเราไม่มองถึงนกเขาเนี่ยนะเห็นมันอยู่สบายกินสบายกินน้ําก็ได้กินอาหารก็ได้สบายเห็นว่ามันเป็นสุขเรานี่ก็เหมือนกันถึงมันจะแสนสุขแสนสบายขนาดไหนก็จังเทอะมันเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องแก่แก่ก็ต้องเก็บเก็บก็ต้องตายเนี่ยทุกข์ละที่มันเป็นทุกข์อย่างเนี้ย แค่นั้นเราก็ต้องปรารถนาอีกอชาติหน้าขอให้อิชันเนี่ยเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเศรษฐีกิดตุ้มพีอีกเอาหนักกว่าเก่าอีกนาะเอาให้มันหนักกว่าเก่าอีกอืมเราคิดว่ามันจะสบายกว่า น, นั้นเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือความคิดมันไปคนละเรื่องกันอย่างนี้อืมคือมันหนักพระพุทธองค์ว่าทิ้งฉันทิ้งไม่ได้ ก็ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเรื่อยๆปีนี้คือความเกิดมันเป็นเหตุเหตหนักอย่างนี้เรามองกันไม่เห็นในแง่นี้มันเป็นไเกันนั้นถ้าหากเราไม่เกิดเ้าเราก็เรียกว่ามันบาปที่สุดแล้วคนตายไม่เกิดบาปที่สุดซะแล้วเมื่อกไปกันในรูปอ น, นั้นอันนี้เราเจตะะรู้ปูโวงถึงธรรมะนี่มันยังยากจะต้องใช้การพิจารณาแต่อย่างไรก็ช่างเถอะ เรามาย้อนเแต่เรื่องบาปศีลธรรมเราหนี่ดีกว่านะไอ้พวกเราอยู่ในคณรวาสเนี่ยอืมการทํามาหากินของเหล่านี่ไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนอทํำสำอาชีวะของเหล่านี้ให้ตรงไปอืมแท้ๆว่ามันหลายคนเนีอยู่ในโลกนี้นะไอ้คนนั้นไม่เบียดเบียนคนนี้ก็เบียดเบียนอืมทําไปทำมามก็เลยเป็นคนไม่รู้เรื่องกันอีรวุ่นวายกันอยู่เรื่อยไปอย่างเนี้ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญอห น, นึ่งเราจะต้องภาวนาเละพิจารณาทุกคนทุกคนอยากจะพ้นทุกข์เท่านั้นแหละอืมแต่ว่าคนทุกข์แค่ไหนอะไรไม่รู้เรื่องกันอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเรานี้เองเป็นเป็นเจ้าของพุทธศาสนานั้นไม่ซึ้งในหลักธรรมพุทธศาสนาที่แท้จริงที่แท้พ่อถือกันมาเรื่อยมาอย่างนี้ก็เป็นมาเรื่อยมา จะมาภาวนาอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีแม้ตลอดเป็นพระจะมาภาวนาเรื่องจิตใจของเร น, นเป็นอย่างนั้นอย่างไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีเรียกว่าเราห่างเหลือเกินห่างจากพุทธศาสนาห่างล้วก็อีกประการหนึ่งเข้าใจว่าไอ้พวกเรานั้นนะบวชจริงจะปฏิบัติได้นี่นี่เกือบทุกคนเกือบทุกคน อืผู้หญิงบ่นคนนู้นอยากเป็นผู้ชายนี่จะนี่ไปบวชเถอะเนี่ยเนะนี่ยเรียกว่าบวชนั่นจะทําความดีแต่แตนักบวชให้ย้อนกลับไปถึงเราดีๆเธอะนะการทําดีทําชั่วมันอยู่กับตัวเราอืมไม่อยู่กับตัวเราทั้งนั้นอย่าไปพุ่งถึงการบวชหรือการในบวชถึงบวชไม่บวช ขอต่ว่าเราสร้างความดีของเราด้วยไปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเราทั้งหลายนี่บ้านเรานี่ชอบเห็นแต่อย่างนั้นมากเกินไปอืมไม่ชอบเห็นเรื่องศาสนานี่อืมเราไม่รู้มันนะเรื่องศาสนานี่เรื่องให้ปล่อยตัวออกจากกรงอืม นั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่อจะแก้ปัญหานี่แก้ปัญหาอะไรที่จะให้เราเกิดทุกข์ที่เรามาสมทานศีลมาฟังธรรมะมมปฏิบัติธรรมนี้เพื่อแก้ปัญหาทุกวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ไยได้ทุกวันนี้ยิ่งโลกประสาทยิ่งมากขึ้นแก้ปัญหานี่ เรื่องแก้ปัญหาในชีวิตของเจ้าของนี้่พระพธธุทธองค์นือปราดทาั้งหลายตปนสอนว่าให้มีศีรธรรมให้ดูจากสีรธรม ร, ธรมสินธรรมเช่นน่าเทพอันนี้ของใครฉันอยากได้เหมือนกันแต่ฉันจะขโมยเอากลัวมันจะบาปเท่านี้ก็พอแล้วนี่เดียกวกับสีรธรรม เทคนิคของเขาถ้าเราไปเอามามีความผิดกลัวความผิดนั่นไม่ทำนี้นี่เดียวว่าสีเราทมเท่านี้เห็นชัดอย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนเลยพวกเราอัมอมอตมาไตรพูดว่าพวกเราทั้งหลายนี้ปีสองปีมานี่แหละ เที่ยวทำบุญทุนทานกันมากทางคมนาคมยิ่งไปสะดวกพัศนาจรสแสวงบุญแต่มองมองดูแล้วมันมันไปสแสวงบุญกันอย่างเดียวโดวยมากมันไม่สแสวงหาการลาบากมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเรา ให้ละบาปก่อนจึ ง, นงบําเพ็ญบุญเรานี่ก็ดีว่าทำบุญไม่ละบาปมันไม่หมดมันเป็นเชื้อโรคติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาถึงเลือดร้อนที่มันเป็นสายอย่างนี้หัวใจพุทธศาสนาท่านสอนว่าไม่ให้กระทําความผิดจะกระทาจิตเป็นกุศลต่อไปเกิดปัญญาทุกวันนี้เราแสวงหาทาบุญกัน แต่การละบาปนั้นไม่ค่อยมีใครคิดเห็นนี่ในทางที่ดีมันจะต้องละบาปก่อนกิงบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไวตรงไหนบุญไม่อยู่ละไม่มีที่อยู่แล้วบุญนะนั่นนีนี่มันเป็นเช่นนั้น เราจรึงว่าเครื่องสุขปกออกจากใจของเราเสียเดี๋ยวจึงทําความสะอาดก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่เป็นหลักที่เปรียบเทียบจะตเป็นอย่างนั้นอื <c oughs> มันไม่เห็นชัดมันจะแก้ปัญหาไม่ได้อย่างนั้นจึงไม่มีใครจะถอยออกมาถอยออกมาพิจารณาอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้มันเห็นชัดตามหลักพุทธศาสนา แตชื่อของเัาพุทธศานคุมไว้เท่านั้น